ก็คือให้ให้ให้ใหจิตเนีมีงานทำนะเพราะว่าถ้าจิตมีงานทำเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ลอยไปตามความคิดอันนี้เนี่ยให้จิตมีงานทําก็เช่นการตามลมหายใจหายใจเบาๆนะอย่าไปอย่าไปเพ่งมันคือไปเพ่งลันเนี่ยจะกลายเป็นเครียดหรือว่าจะกลายเป็นเอาแพ้เอาชนะไปว่าเดี๋ยวมันฟุ้งก็จะไม่ไม่ไม่ไมชอบจะหงุดหงิด มันจะหลุดมันจะลอยไปก็ช่างมันหรือว่าครึงนิ้วที่อาจมาชอบเนี่ยคลึงนิ้วไปตาเปิดอยู่นะคลึงนิ้วไปเราจะมองอะ ไ, ไปก็มองไปสบายๆเนะี่ยก็คล้ายๆว่าให้ให้จิตเนี่ยเขามีมีที่พักที่อาศัยเนะี่ยแต่ว่าอันนี้เราก็ก็ต้องทําใจเผื่อด้วยว่าถึงแม้มันจะฟุ้งซ่านยังไงก็ ก็ให้รู้มันอย่าไปพยายามไปบังคับมันคือตอนนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับอยู่กับทุกอาการที่เกิดขึ้นกับกายและใจอยู่กับมันไหมว่าอยู่กับมันอย่างอย่างสงบยอมรับมันได้เพราะว่าจะไปผลักไสจะไปปฏิเสธมันเนี่ยมันเป็นรื่องยา แล้วก็ตัวอาตมาเชื่อตัวการที่จะต้องเรียนรู้ที่อยู่กับมันให้ให้ได้ให้ได้มากคือเรื่องของทุกขเวทนาความเจ็บความโวดเนี่ยตอนนี้เนี่ยในแง่หนึ่งเออการใช้ยามก็ช่วยบรรเทาได้แต่ว่าไอตอนที่ยามมันไม่มันหมดลิธิ์เนี่ยหรือว่าตอนที่มันมีอาการแส้เข้ามามไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟังกับเทพได้นะังจา ก, นะจากคือถ้าเกิด ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับเวทนาตอนนี้เนี่ยการพยายามที่จะไปกําจัดบรรเทามันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องลองเพราะว่าเหตุปัจจัยต่างๆมันก็มันกําลังสะสมการทําให้ทุกขเวทนาความเจ็บความปวดนิลางส่วนที่ใช้ยาก็ใช้ไปแต่ว่าในส่วนใจนี่ก็ต้องต้องเรียนรู้ที่อยู่กับทุกขเวทนาความเจ็บความปวดให้ได้ จะไปพยายามผลักสายมันหรือไปปฏิเสธมันอันนี้ต้องทําต้องวางใจใหม่หรือว่ามันแท้ๆว่าต้องเรียนรู้ที่อยู่เข้าให้ได้คฟังแล้วยากค่ะควารู้สึกว่าอจะทํำยังไงคือคือพยายามหยับที่มือที่หัวแล้วให้มือมาหยุดใจอยู่ที่มือเนี่ยมันก็ค่อยสําเร็จรู้สึกว่าเอ๊ะมันคือมันฟังเนี่ยนะคะมันเข้าใจนะ่ล ก็ไม่เป็นไรคือของมือนี้เนี่ยมันต้องทำทำวนละนิดวนลหน่อยให้ให้พอได้แล้วก็เพราะว่าอะไรก็ตามที่เราพยายามไปผักไปปฏิเสธนั้นเนี่ยมันทาให้เราทุกมากกว่าเดิมงานที่เราชอะงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราปฏิเสธมันตั้งแต่แรกว่าทําไมต้องทำไมถึงต้องมาเจองานแบบนี้ฉันไม่ไหวแล้วนะฉันไม่ไหวแล้วนะ ไอ้ความคิดปฏิเสธนี่จะทำให้งานเนี่ยมันกลายเป็นงานหนักงานยากแต่พอเราเริ่มย้อนรับว่ามันในไหนมันมาแล้วอ่ะเราก็ต้องทําเดินหน้าอย่างเดียวยงานมันจะเบาลงนะแล้วก็ตามที่เราพยายามไปผลักสายปฏิเสธเนี่ยไอ้ความรู้สึกผลักสายปฏิเสธนั่นแนหะที่มันจะวกกลับมามาทําให้เรารู้สึกเกิดหนักเกิดความเป็นทุกข์ เช่นพุ่งซานเนี่ยถ้าเราปฏิเสธมันตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะทูกกับความพุ่งซ่านแต่ว่าถ้าเราไม่ถ้าเรายอมรับว่าความพุ่งซ่านเป็นธรรมดาไอ้ความหนักมันก็จะเบาลงแต่ว่าตอนตอนนี้เนี่ยอาจจะมาคิดว่าสิ่งที่มันเป็นการบ้านนะที่อยากจะให้ลองลองทำดูวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยก็คือการปรับท่าทีต่อความ ความเจ็บความปวดคือทุกขเวทนาคือถ้ามองเห็นเขาทุกขเวทนานี่เป็นศัตรูเนี่ยเราจะทุกขมากขึ้นเพราะว่าปัดมันเท่าไหร่มันก็ไม่ไปพยายามปฏิเสธมันเท่าไหร่มันก็ยังอยู่นะคือถ้าถ้ามันไปเนี่ยมันไปตามใจเราเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมันจะฝืนมาอยู่เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราเรา ทำใจยอมรักสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะเป็นอัตมาที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการที่จะอยู่กับทุกขเวทนาได้โดยที่ไม่ไม่ทุกทรมานมากนะแล้วคราวนี้เนี่ยท่านต่อไปเนี่ยอันนี้แหละที่หลายต้องใช้สติก็อาจจะมาสติก็ จ, จะมีบทบาทมากขึ้นตรงที่ว่า ที่บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวที่เขียนเนี่ยมันจาะ ก, ก็จะหมายความว่าพอเรามีสติพรามีสติเนี่ยเราก็เห็นความเจ็บความปวดเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนกายแต่มันไม่ใช่ใจที่เจ็บปวดไอ้ตรงนี้มันมันเป็นอีกขั้นตอนนึงแล้วนะซึ่งอาจมาคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านขั้นตอนแรกก่อนคือการที่เริ่มจะทําใจยอมรับว่า ความเจ็ความปวนี้เป็นสิ่งที่ต้องอยู่กับเราแทนที่เราจะมองเป็นศัตรูต้องมองเป็นเพื่อนแล้วละเหมือนกก้อนมะเร็งเนี่ยซึ่ง เ, เราต้องอยู่กับก้อนมะเร็ง เ, เราทําอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับเขาแต่อยู่มาถึงอยู่ยังไงเราถึงจะไม่ทุกข์เนี่ยสมมติ ว, มว่าตรงตรงนี้เนี่ยถ้าทําวันละนิดวันละหน่อยนะอาจจะมีการ คิดเจรนาบริกรรไปด้วยก็ได้ว่า อ, อย่างที่เขาบอกเจ็บหนอเจ็บหนอเนี่ยก็คือความพยายามที่จะอยู่กับมันโดยที่ไม่ไปไม่ไปเห็นมันเป็นศัตรูนะมันเหมือนพยายเลยนะค ะ, ถ, ะถ้าเรารู้หนอถึงเฉยี่สุดะได้รู้หนอรู้หนอขณะเดียกันแล้วก็ในบางช่วงเนี่ยอรรถจะรู้สึก เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์หรือเกิดความรู้สึกลบกับร่างกายว่าทําไมร่างกายมันมันมันทำกับเราแบบนี้หนอใช่ไหมทำไมเราเกิความรู้สึกเป็นปฏิคฆาขึ้นมาเรียปฏิฆาความขุ่นเคืองขัดเคืองใจร่างกายที่มันทําไมนอกจากจะไม่เชื่อฟังเราแล้วก็ยังทําความเจ็บปวดให้กับเรา ทำไมคือต้องแผ่เมตตาให้กับร่างกายด้วยเพราะถ้าเรา<ม>คิดเพราะถ้าเราถ้าเราเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเกิดความเกิดปฏิฆาขึ้นมาเนี่ยเราจะปฏิฆาเนี่มันคือไฟไฟไมันจเผาใจอันนี้ก็ต้องเป็นแบบฝึกหัดว่าเราจะแผ่เมตตาให้กับให้กับให้กับร่างกายส่วนต่างๆที่มันเจ็บมันป่วยได้อย่างไรแผ่เมตตาในคำนอมว่าเขา ขอให้เขาอยู่เป็นสุขเป็นสุขนะขอให้อย่าได้ขอให้อยาออ่ า, ยาได้มาเบียดเบียนกันเลยหรือว่าขอให้เขาได้มีกําลังในการที่จะเอาชนะเอาชนะความเจ็บความปวดเพราะว่าตอนนี้ร่างกายจริงๆเนี่ยก็พยายามต่อสู้ร่างกายก็พยายามต่อสู้กับเรื่องพวกนี้คือไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ใจเราเท่านั้น ท, ที่พยายามต่อสู้กับทุกขเวทนาร่างกายแล้วก็พยายามต่อสู้ เราก็ต้องเชียร์ up เขหน่อยนะอาตอมาคิดว่าเนี่ยตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกั น, นพอเราแผ่เมตตาไปแล้วเนี่ยใจมันจะสบายขึ้นอาจจะไม่สบายมากอย่างที่เราคิดแต่ว่ามานันอย่งาง้ก็ไม่ทําให้เราถูกเผาลนด้วยด้ว ย, ด, วยด้วยปฏิฆะหรือความขุ่นเคืความหงุดหงิดเพราะว่าตัวความหงุดหงิดเนี่ยมันคือตัวที่จะมาซ้ําเติมตัวทุกขเวทนาให้มากขึ้น แต่มาคิดว่าเนี่ยอยากจะให้ลองลองลอง mm hmm. ลองฝึกตรงนี้นอกเหนือจากที่เคยทำไปแล้วนะที่ว่าตามลมหายใจหรือว่าสวดมนต์เนี่ยนะแตมาคิดว่าก็ดีแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะต้องเรียนรู้ที่อยู่กับทุก เ, เวทนาให้ได้เพราะว่าเขาจะมาอยู่เรื่อยๆเขาจะมาเรื่อยๆเขาจะมาเรื mm ่อยๆเหมือนกับว่าเรา เราเจอแดดน่ยในไหนเราไม่มีทางที่จะหาหาร่มเงามาทำให้หายหายร้อนได้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับแดดมันให้ได้ mm hmm. แต่ครั้นี้เนี่ยตัวที่อยู่ได้จริงๆเนี่ยคือตัวสมาธิกับตัวตัวสตินะก็แต่เรื่องนี้เนี่ยอุดหมอก็คงจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะว่าที่พูดว่าเนี่ยเออตัวตัววิธีการพือทำไงให้ ให้ความเจ็บมันเป็นของกายอย่างเดียวแต่ไม่ไ ม, ไม่ใช่ของใจวิธีนึงที่จะช่วยได้คือการที่เราลองนึกดูมันก็ว่าเราเนี่ยออกมาออกมาอยู่นอกตัวเราแยากใจแยกใจออมาอยู่นอกตัวเราดูกายที่มันเจ็บไม่ใช่ดูด้วยสติอย่างเดียวแต่หมายควาว่าเราเราลึกจินตนาการมันก็ว่าเราเนี่ยออกมาออกมาอยู่ข้างนอกอะ่ะแล้วก็มองมองตัวเองมองกลับมาที่ตัวเอง แล้วก็เห็นว่าโอ้ไอความเจ็บความปวดนั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของของกายหรือของอีกอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เราอาจจะยากนะเพราะว่ามันก็จะมีความทุกขเวทนาก็จะดึงจิตเนี่ยให้เรากลับมารวมกับกายใหม่มันจะดึงอยู่เรื่อยๆมันจะดึงอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราทำ บ, บ่อยๆทำ บ, บ่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องหวังผลนะว่ามันจะเห็นผลเร็ววันเนี่ยมันก็จะมันก็จะจิตก็จะฉลาดในการที่จะออกมา ออกมาเป็นผู้ดูมากขึ้นผู้ดูมากขึ้นมีบางคนเนี่ยแกบอกบอกว่าเนี่ยแกนึกตัวเองมันก็ว่าตัวเอนี่ยไม่รู้ทํำยังไงนะอยู่บนไหล่มือนก็อยู่<อ>ตัวเองเนี่ยยืน<อ>ตัวเองเนี่ยหยุดอยู่บนไหล่นะแล้วก็มองมาที่มองมาบอกกลับมาที่ตัวเองนะแล้วก็เห็นว่าโอ้มันมันปวดนีมันปวดนั่ น, น inte, แต่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยแต่พอเผลอเมื่อไหร่นะเออเข้าไปใหม่ก็พยายามออกมา อันนี้คือแก Poland เป еще, Same, ็นการสร้างภาพเนี hmm. so hmm. ่ว่าออกมาอยู่อยู่ข้างนอกแล้วมองกลับมาที่ตัวเองเคยฝึกเรื่องของพลังจิตเนี่ยนะคะเคยไปฝึกแล้วก็มีอยู่ช่วงนึ่งมาฝึกถอดกายออกจากล่างถอดใจจิตออกจากล่างจิตซึ่งแปลกมากเลยแล้วจำความสุดนั้นได้เลยคือนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นตั๊กก็ถอดแล้วงออกมาวิ่อยู่าี้แล้วพอเราหันมาเนี่ยตัวเราเหมือนพวกกระต่ายยางอือมันเป็นอะไรที่มันก็คือคนเราเนี่แหละแต่เราไม่ใช่ เลว่ากายรจิตมันแย่องควเป็นคนละส่วนชัดมากเลยค่ะคือเอาอจริงๆตัวตัวตัวกายเนี่ย ม, มันไม่รู้สึกนะ ไ, ไอ้ตัวที่รู้สึกเนี่ยคือตัวจิ ต, จ, ตจิตเวทนาเนี่ยมันเป็นเวทนาดยเพราะความเจ็บความปวดเนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จิตรับรู้แต่ไม่ใช่กา ย, ยคือพอพอจิตออกจากลาวเนี่ยกายมันไม่รู้สึกแล้วแต่ว่า เราก็อย่าเพิ่งไปไปไปแยกแยกอย่างนั้นเพียงแต่ลองลองฝึกดูนะทำมันทำวารละนี้วัลนละหน่อยให้ให้ให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็คือมันจะเป็นแบบแบบทนั้นแหละมันจะเป็นแบบแบบแต่วา่าเมื่อทํามากขึ้นมากขึ้นก็จะก็จะก็จะคล่องขึ้นก็จะไวขึ้นนะอันนี้ก็ก็ก็ก็เป็นวิธีการนึงในการทําให้มีสติ คือสตินี่ม well. ันทำหน้า <evangelical> ท <Japanese> ี่เป like ็นผ like ู้เฝ้าดูไม่เหมือนสมาธิสมาธิคือการหลบไปอยู่สิ่งอื่นใช่ไหมสมาธิคือว่ามันปวดใช่าก็เอาสมาธิไปอยู่ที่ไปอยู่ที่เพลงไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันก็ไม่ไปรับรู้ความเจ็บความปวดนี่เรียกสมาธิแต่สตินี่คือสตินี่มันเป็นผู้ดูดูความเจ็บความปวดแต่มันไม่ไม่ไม่ไปรู้สึกเจ็บปวดนะ อันนี้เป็นเป็นวิธีที่ยากขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันจะมันจะจะช่วยเสริมกับกับสมาธินะอาจามาก็คิดว่าเนี่ยฝากไว้เนี่ยสอ ง, สองสมเรื่องสองสาอย่างก็งคือหนึ่งี่เรื่องเรื่องเรื่องหางานที่จิตทำน ะ, ะเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้กังวลหรือกังวนกระวายหรือฟุ้งซ่านแต่ตามาคิดว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยรบกวนจิตใจมากเท่ากับเรื่องของการที่ ถูกทุกเวทนามันบีบคัน้นตรงนี้มันจะมันจะมันจะแรงกว่าไอความกังวนกว่าซึ่งก็ต้องหาทางที่จะเรียนรู้จะอยู่เข้าให้ได้แล้ววิธีที่อยู่เข้าได้ก็คือเนี่ยการที่เราอยอมรับว่าเนี่ยมันมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่ต้องอยู่กับเราเราจะไม่พยายามไปปักสายปฏิเสธแต่อยู่เขาโดยการเป็นผู้ดูเฉยๆนะดูด้วยสติโดยอาจจะมี อุบายคือการแยกถอดใจออกมามนะแต่ว่าถ้าหาว่าเจอสติ ด, ดีๆมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้แล้วก็แค่ดูเฉยๆดูเฉย ๆ, ๆมไม่ต้องจิตไม่ต้องจินตนาการมาถอดออกมามนะยก่อนะ <c oughs> การก็เนี่ยเอาทำทำทำทำเท่านี้ก่อนอย่างอื่นเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็รู้เรื่องอยู่หมดแล้วเรื่องการปล่อยวางเรื่องการไม่มีอะไรมาข้างค้างใจใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยคิดว่าทําทได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องต้องทําให้มีมากขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องของการมีการมีส ต, ติเพื่อที่จะเป็นเครื่องช่วยให้เราอยู่กับความเจ็บความปวดได้เปลี่ยนมันจะน้ำกว่าน้ํามันอะ่ะ คือน้ำเนี่ยคือคือจิต น, น้ำมันคือทุกขเวทนา น, t. น้ำกับน้ำมันเนี่ยมันแยกกันใช่ไหมฮะน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันแยกกันได้เนี่ยให้เราให้เราทำให้เราให้เรารักษาใจก็คือว่าให้จิตเนี่ยกับน้ำมันเนี่ยมันอยู่คนละส่วนจิตกับความเจ็บปวดนอยู่คนละส่วนนะอย่าเป็นน้ำกับน้ำนมถ้าเป็นน้ำกับน้ำนมเนี่ยหัวความเจ็บปวดนี่มันแทรกซึมทุกทุกอนูของจิตเลย มันไม่ใช่่ทุกอนของกายทุกอนุของจิตอันนี้เป็นน้ำกับน้ามันเพราะเพราะว่าไม่ม in ีสติแต่ถ้ามีสติเนี่ยมันทให้จิตกับความเจ็บปวดเนี่ยอยู่คนละส่วนเหมือนกันน้ำกับน้ามันนะสตินี่มันมันก็เป็นตัวเป็นตัวตัวขวางเอาไว้นะไม่ให้จิตเนี่ยกับกับความเจ็บปวดเนี่ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปกับเข้าไปชนกันเข้าไปเข้าไปรวมกันก็ต้องต้องเจริญสติอยู่ อยู่เรื่อยๆและเจญสติเนี่ยที่อาจรมาว่าเนี่ยก็คือการมีสติอยู่กับความเจ็บปวดยอมรับความเจ็บปวดให้ได้ว่ า, วามันเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วให้เห็นว่าเขาเป็นเพื่อนแล้วต่์มาคิดว่าอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะยังไม่แนะนำตอนนี้นะแต่ว่ า, าต้องคิดกันต่อไปคือว่าต้องรู้จักใช้ความเจ็บปวดให้เป็นประโยชน์นะคือหนึ่งเนี่ยนอก น, อกนอกจากเราคือถ้าเราถ้าเรา นอกจากเราจะไม่ทุกข์เพราะความจะบปวดแล้วเนี่ยเราสามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นขั้นพิปัสนาซึ่งเทตมาคิดว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งซึ่งยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องยังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่นี้แล้วก็เทตมาแนะนำว่าให้แผ่ไม่ตายให้ร่างกายด้วยแผ่ไม่ตายตัวเองด้วยแผ่ไม่ตายให้ร่างกายให้ปอดให้ตับให้ให้กระดูกให้สมองให้กล้ามให้เลือดเนี่ยนะเพราะว่ามันร่างกายนี่มัน มอ ง, มอ ง, ม, องมองเผอคอมันกลังกลังกัดเรากำลังทำร้ายเราอยู่แต่ถ้าเราถ้าเราแผ้ไม่ตายเขาในีว่าเขาเองเขาก็พยายามพยายามฟื้นฟูนฟนตัวเองเหมือนกันนะก็มีมมมสติก็ให้ยอยอูอ่ด้วยกันได้ใช่มแล้วก็เรนรู้ที่มีสติว่าเรา เราเป็นผู้ดูความเจ็บความปวดเราหรือสร้างจิงนตนาการว่าเราถอดใจอรอจิตออกมาเห็นตัวเราเห็นตัวเราจากเหมือนกับว่าเราอยู่ข้างนอกแล้วกลับมามองเห็นร่างกายของเราออันนี้ก็เป็นมรนกจินตนาการนะแต่ว่าถ้าเจอริ้สติดีๆเนี่ยมันไม่ต้องผ่านจินตนาการอย่างนั้นตัวสติมันจะมันจ ะ, ม, นจะมันจะทํางานมันจะเห็นเอง แต่มันก็จะดึงกลับเข้าไปนะคือพรุ่วันนี้เนี่ยอย่าไปอย่าไปวังวผลเลิศมันก็จะมันจะเป็นชั่วขณะเด็กมันก็กลับเข้าไปใหม่กลับเข้าไปใหม่ก็ปวดอพอปวดเสร็จแล้วก็ถอดออกมาแล้วมันจะกลับเข้าไปใหม่มันจะเป็นนี่อยู่อยู่หลายๆครั้งแต่ว่าถ้าทํำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะชํานาญหนุพี่จากที่เคยไป เ, ย, เยี่ยมีตัวอย่างวิธีแนะนำบ้างที่รู้การทำพิษละันก็ก็ยังยังสุภาพพนักเขาใช้ลมหายใจเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องให้ ให้จิตเนี่ยประกำหนดอยู่ที่ลมหายใจจะได้ไม่ไปไม่ไปรับรู้ความเจ็บความปวดซึ่งเขาก็ทําได้<ม>คือเขาก็ไม่ไม่เหมือนที่ว่าเขาเขใช้ยามแต่ใช้ยา น, น้อยอเพราะจิตเขา้าไปอยู่กับลมหายใจแต่ว่าลมหายใจในต่อไปมันก็จะไม่แน่ไม่นอนแล้วมันก็จะเริ่มขัดก็ต้องใช้วิธีอื่นด้วยแต่ว่านี้อันนี้ก็เป็นขั้นต่อไปอะ ต่อไปอ่ะอะต้องคลึงนี้ต่อไปต้องใช้การใช้เสียงใช้เสียงะระฆังต่อไปต้องใช้ใช้การจินตนาการเป็นภาพอะไรพวกนี้ขึ้นมาจริงจงจินตนาการน่าจะยาก น, นะครับในช่ว ง, น, จจงนี้แม้เงความชัดมันก็ไม่ ก็ใช้ลมหายใจเป็นเป็นเครื่องช่วยไปก่อนหรือว่าเทอมานแน่เนี่ยคลึงนิ้วไปคลึงนิ้วไปนะหรือว่าใช้เพลงใช้บทสวดม น, นต์อาตมาพอดเพลงเนี่ยเอามาใช้บางกรดีดคุณหมอชอบเพลงใช่ไหมใช่ครับฮะชอบใช่ไหมเพลงเนี่ยแล้วจิตละจิตละไปกําหนยที่เสียงเพลงนะเพราะเพลงนี่มันทำให้มันก็เชียร์อัพแล้วก็ทําให้ใจสบาย คือแม้ว่าอารมณ์เร า, า จ, จะยังไม่เราจะอารมณ์อาจจะไม่ไม่อื้อเพราะว่าทุกเวทนามลกรลนแต่ว่ามันช่วยได้เสียงเพลงคือไม่เป็นต้องว่าต้องเป็นบทสนมนเพลงที่เราชอบที่เรามีความผูกพันแนจ่ายแล้วก็น้อมตามให้ไปอยู่กับเสียงเพลง เอาเพลงที่ชอบเนี่ยเพลงที่ชอบที่เบสเทอร์มันก็เวลาปวดคือถ้าไม่ถ้าถ้าเวลาปวดนี่นะมันมันเราจะเราจะฟังมันได้ไหมเราจะเก็ตมันมันไม่เป็นไม่ได้ต้เก็ตแล้วมันเหมือนกับฟังไปเรื่อยๆว่าคุ้นเคยสปชลมิวสิกนี่เพลงเพลงเบาๆช่อแต่แต่ว่าไม่ต้องว่าต้องให้เป็นธรรมะนะไม่ไม่ต้องเป็นธรรมะ ลกนยนะนอนตัวเองละลูกปวดเรื่องนั่งนี่ไม่กปวดปวด อ, อ่ในรองฝนตามอนอนอานอนอตามสบายเ แ, แต่ว่าถ้าถ้าเราฝึกสติเรื่อยเนี่ยสติมันก็จะจะกลับมาเร็วคือให้มันแต่ว่าเรื่อง เรื่องมืนเรื่องเผลอนี่ก็สมาธิว่าก็ก็ปล่อยไป เ, เพราะว่ามันเป็นเป็นธรรมชาติของของกายของใจแต่ว่าถ้าเราทำถ้าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็พยายามตั้งสติแล้วก็ฝึกตามที่เราถนัดหรือว่าตามที่เรา เราคุนแล้วก็อย่างสอดคล้องกับบรรยากาศเช่สนสวดมนต์บ้างแผเ่เมตตาบ้างทำสมาธิบ้างตามลมหายใจบ้างครึงนิ้วบ้างาคือให้ให้จิตได้ได้ ม, มีมีกิจกรรมทำแบบแบบนี้ให้มันคุ้นเคยและพอถึงเวลาเวลาเผลอเนี่ยจิตเขาจะรู้เขาจะพลิกกลับมาได้ได้ไวขึ้นไวขึ้นตอนนี้เนี่ยมัน เราจะใช้การบังคับควบคุมจิตเนี่ยมันทําได้น้อยลง<บ>เพราะว่ า, าตัวที่จะดึงจิตออกไปหรือป ร, ปรุงแต่งจิตเนี่ยมันมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจิตเขามีมีการฝึกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะจะกลับมาและเพราะฉะนั้นช่วงที่ช่วงที่ ช่วงที่รู้ตัวเมื่อไหร่ช่วงที่รู้สึกว่ามีฉันทะหรือว่ามีกำลังที่จะที่จะฝึกจิตเมื่อไหร่เนี่ยธรมาเราคิดว่าใช้ช่วงนั้นให้ได้มากที่สุดแล้วธรรมาเพื่อช่วงนี้เนี่ยคุณหมอก็ต้องรู้จักเฉ่ยโอกาสด้วยคือเฉยโอกาสทุกอย่างที่มีอยู่เฉยโอกาสที่จะใช้ใช้ทุกขณะของจิตหรือว่าทุกอาการที่เกิดขึ้นกันบตายเนี่ยเพื่อ เพื่อให้ให้สติมันตั้งตัวได้หรือเพื่อให้ให้เป็นสุขกับทุกักับทุกขณะที่เท่าที่เท่าที่จะ ท, ท, ท, ทำได้คือตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเปลี่ยนมันกบว่าความรู้สึกเนี่ยถ้าเปลี่ยนมนว่าจิตมือเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนาเปจิตมือกระดาษเนี่ย ตอนนี้ไอ้ไอ้ส่วนที่มันเป็นส่วนที่มันเป็นสีสีเนี่ยกากระบาเนี่ยมันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือทุกเวกนาหรือที่เรยียกว่าตัวความพุ่งซ่านต่างๆเนี่ยแต่ว่าแม้ว่ากากระ บ, บาดมันจะเยอะอยังไงเนี่ยมันมีส่วนที่เป็นสีขาวสีขาวสีขาวกระจายกระจายทั่วไปให้ให้จดจ อ, อยตรงนั้นเนะ่ยอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจะไปจุดจอแต่ตัวที่มันเป็นกากระบาดนะ อันนี้ธมะที่เรียกว่ารู้จักรู้จักฉวยโอกาสคือว่าใช้ใช้ทุกใช้ทุกอย่างเนี่ยหรือว่ารู้จักเก็บเกี่ยวส่วนดีๆทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยให้ได้มากที่สุดแม้กระทั่งฉวยโอกาสไม่ต้องเอาความเจ็บความปวดนี่แหละมาเป็นมาเป็นประโยชน์ให้แะจิตใจ ในการปล่อยวางคือคนธรรมดานี่เขาก็มีความสุข เ, เป็นพื้นในจิตในในชีวิตจิตใจแต่ว่าคนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยมันมีทุกขเวทนาเยอะแต่ว่าก็พยายามฉกฉวยความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวัน พยายามเวลาทีป่ปวดนะคะพยายามเอาจิตเคิดว่าตอนสมัยอยู่าราศีเฉลยทาอะไรที่มีความสุขเวลาอยู่บัวใหญ่เวล า, อ ย, าอยู่ใจโยนึงไให้คิดถึงสิ่งที่เป็นกุศลที่ตัวเองได้ทามาพยายามดึงให้เขาคิดตรงนั้นก็ให้จิตเทเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นกุศลนงงี้ดีถ้าว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเป็นภาพประทับใจภูมิใจเพื่อนๆหรือว่าอ่า แ้่ช่วงที่ช่วงที่มันจิตช่วงที่ไม่มีทุกขเวทนาช่วงทช่วงที่ทุกขเวทนาบาบางเนี่ยก็ไปซึมซับ ร, รับเอาสภาวะเช่นนั้นเข้ามามช่วงที่ใจมีฟุ้งมีมีสมาธิช่วงที่ใจ ม, ม, มีสมาธิเนี่ยใจยมันตืนขึ้นมาเนี่ยก็ appreciate appreciate กับกับสภาวะเช่นนั้นให้มากมซึ่งซึ่งคนธรรมดาเนี่ยจะจะละเลยไงเพราะว่ามันมันมันมีเยอะใช่แต่ตอนนี้เนี่ย เหมือนกับว่าเราต้องเก็บเก็บเมือกเวลาเราเข้าป่าเนี่ยไม่มีน้ำเนี่ยโอ้โหไอหยดน้าทุกหยดนี่น้ำค้างทุกทุกทุกหยดนี่มีคุณค่าเก็บมาหมดเลย<น>ใช่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดินทางเทเลสไปเนี่ยโอ้โหุน้ำแต่ละหยดนี่มีค่าไม่ต้องเก็บหมดนะเออพิเศษกับสิ่งมันสิ่งสิ่งนี้ให้ได้ Look what's w o n g